รู้ทางรู้สึกดีขึ้นกับใครบางคนเมื่อสังเกตและเริ่มระแคะระคายแล้วว่าการสื่อสารทางจิตมีจริงคลื่นรบกวนการเห็นและการได้ยินมีจริงพลังความสงบที่ตรึงให้อยากพูดคุยด้วยมีจริงแรงกดดันที่น่าอึดอัดชวนให้อยากเดินหนีมีจริง รู้ประมาณนี้ด้วยใจมีสติรู้ความแตกต่างอย่างไม่มีอคติคุณก็อาจฝึกสังเกตอะไรง่ายๆได้อีกมากอย่างเช่นถ้าคุณโกรธเกลียดใครและเขาก็โกรธเกลียดคุณพอๆกันคือไม่ใช่รู้สึกอยู่ข้างเดียวสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกได้คือความเป็นขั้วมืดให้แก่กันและกันเมื่อเจอกันจะรู้สึกมืดเท่าๆกัน หรือแม้กระทั่งคิดถึงกันเป็นต้องอารมณ์เสียทันทีแม้กายภายนอกจะอยู่ในอิริยาบถ ท, ท่าทางปกติก็ตามขอให้มองเป็นสั ญ, ญลักษณ์โดยสีดำแทนความรู้สึกเกลียดและท่าตั้งกาดกรมัดแทนอารมณ์อยากสู้กันในที่นี้คือภาพประกอบที่เป็นรูปคนสีดำทั้งตัวสองคนยกสองมือขึ้นตั้งกาด ยืนประจันหน้ากันนะครับจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดอารมณ์สู้แล้วนึกอยากญาติดีกันและที่สำคัญมีเมตตาที่ใหญ่กว่าความเกลียดของอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะลดกาดลงและจิตมีความดำน้อยลงเหลือแค่ขุนมัวไม่ถึงกับมืดมิดรูปประกอบคืออีกฝ่าย กลายร่างเป็นสีขาวอีกฝ่ายยังสีดำแต่จางลงและตัวเล็กลงก่าฝ่ายสีขาวนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ทุกคนเคยพบมาก่อนไม่มากก็น้อยจิตที่มีเมตตาจริงใหญ่กว่าจิตที่มีความเกลียดและมีอิทธิพลบันเทาความเกลียดหรือกระทั่งสลายความเกลียดของฝ่ายตรงข้ามได้เหมือนเช่นที่เปลวไฟเล็กกว่านิ้วก้อย ทำลายความมืดรอบตัวมันได้เกือบทั่วทั้งห้องอารมณ์เมตตาเกิดขึ้นเมื่อใจเป็นกุศลเป็นสุขเย็นอยากเผื่อแผ่ไม่อยากเบียดเบียนใครแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นศัตรูคู่แค้นกล่าวโดยสรุปคือจิตของคนสองคนถ้ามืดเข้าใส่กันจะกระตุ้นกันและกันให้เกิดความเปลี่ยดชัง มันอยากห้ามหันกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสว่างนำขึ้นมาก่อนก็อาจละลายอารมณ์อยากห้ามหันหรือสลายคั่วความเกลียดชังได้ส่วนที่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวก็ขึ้นอยู่กับความเต็มใจและยินดีของทั้งสองฝ่ายว่าอยากรักษาเมตตาให้สืบเนื่องย่างยืนเพียงใด รู้ทางแปรโซ่ตรวนเป็นสายใหญ่ใครก็ตามที่คุณต้องพบปะบ่อยๆหรืออยู่อาศัยร่วมกันนานๆคุณจะรู้สึกได้ด้วยใจว่ามีความผูกพันขึ้นมาส่วนจะเป็นโซ่ตรวนหรือสายใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการพันผูกด้วยใจนั้นให้ความทรมานหรือรื่นรมเป็นหลัก เมื่อมองความผูกพันเป็นโซ่ตรวนหรือสายใหญ่คุณจะเห็นจากประสบการณ์ตรงว่าโซ่ตรวนอาจแปลเป็นสายใหญ่และสายใหญ่ก็อาจแปลเป็นโซ่ตรวนสลับกันไปสลับกันมาขึ้นอยู่กับจังหวะความสัมพันธ์ว่าอยู่ในช่วงดีหรือร้ายตอนคุณอัดอั้นเคียดแค้นอยากด่าหรืออยากตัดคอคนสนิทอย่างรุนแรง ไม่ว่าตัวจะอยู่ใกล้หรือไกลความผูกพันอันเหนียวแน่นที่สั่งสมมานานจะให้ความรู้สึกราวกับประจันหน้ากันชิดๆและคุณเป็นฝ่ายเริ่มกระตุกโซ่ตรวนก่อนด้วยความคับแค้นของใจที่เคียดแค้นคุณจะไม่ทราบเลยว่าการเป็นฝ่ายเริ่มกระตุกโซ่ของคุณนั้นมีผลกับอีกฝ่ายอย่างไรบ้างเหมือนอยู่ในความมืดท่ามกลางหมอกลงหนัก ไม่เปิดให้เห็นทนัศนวิสัยใดใดมากไปกว่าความรู้สึกขับแคบและอุดอู้ของตัวเองต่อเมื่อวันดีคืนดีคุณอยู่ของคุณเฉยๆแล้วเกิดประสบการณ์ทางความรู้สึกราวกับถูกจิกหัวกระชากให้คิดถึงอีกฝ่ายแบบมืดๆ ร, ร้อนต้องหดเหงียดมุนงานหรืออีกทีก็หลับฝันเห็นอีกฝ่าย มายืนพรัางพรูคำสบทใส่แบบสา์เสียเทเสียเมื่อนั้นคุณจึงพอจะนึกออกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเริ่มก่อนด้วยความเจ็บใจอยากด่าทอหรือกระทั่งอยากตบตีคุณแรงๆก็มีผลสะเทือนถึงใจคุณได้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ให้ทันหากมีความผูกพันกับใครอย่างเหนียวแน่น ใจอีกฝ่ายมีสิทธิ์ปล่อยสะเทือนตามเพราะอารมณ์ที่รุนแรงของคุณส่งทอดมากระทบผ่านสายใย ห, หรือโซ่ตรวนฉันใดก็ฉันนั้นใจคุณมีสิทธิ์สะเทือนตามอารมณ์ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องยาวนานของอีกฝ่ายผ่านสายใย ห, หรือโซ่ตรวนได้เช่นกันในทางสว่างหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก่อคลื่นความสงบขึ้นที่ฝั่งตนมีความสุขอย่างใหญ่รู้สึกปรารถนาความพ้นภัยพ้นเวรจากกันและกันคลื่นความสงบนั้นย่อมมีอิทธิพลระ ง, งับความแค้นในอีกฝ่ายได้อย่างน้อยก็ชั่วขณะที่คลื่นความสงบสุขยังแผ่ไปจากใจถึงใจได้โซ่ตรวนจะแปรเป็นสายใยได้ยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการมีใจระงับเวรต่อกันแต่ชนวนการระงับเวรจะไม่เกิดขึ้นเองหากปราศจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เสียสละความแค้นโดยฝึกใจให้เป็นสุขจนท่วมทับความเปลี่ยดชังเสียได้รู้ทางเลิกเพียน จริงๆไม่มีใครอยากโกหกซึ่งก็ไม่ใช่เพราะอยากได้โลกไม่ใช่เพราะอยากตั้งเป้าเป็นคนดีมีศีลสัตว์แต่เพราะเมื่อโกหกส่วนลึกต้องเป็นทุกข์กับการฝืนความจริงในเมื่อรู้แก่ใจว่าความจริงเป็นสิ่งมีพลังเหนือกว่าตนเองยิ่งพยายามบิดความจริงให้เบี้ยวมากขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนใจตัวเองถูกบิดให้ผิดเพี้ยนมากขึ้นเท่านั้น ความอึดอัดทรมานขณะต้องโกหกพกลมไม่ใช่ของหลอกทุกคนรู้สึกได้และแสดงออกด้วยท่าทีผิดปกติบางอย่างอีกทั้งมีสิ่งตกค้างเป็นแรงดันให้ฟุ้งซ่านสั์สายผิดปกติหรือไม่ก็เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองคลายต้องเสียศักดิ์ศรีกล้าเผชิญกับความจริงไม่ได้ต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอด แต่มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่พอพูนบาปให้รู้สึกชินชาได้ถ้าใครใช้ชีวิตมาถึงขั้นเปรี่ยวปากอยากโกหกทุกวันไม่ได้หลอกนิดหลอกหน่อยแล้วเป็นทุกข์อันนั้นคือจิตสั่งสมความเป็นนักมุสาไว้เต็มขั้นแล้วข้อเท็จริงก็คือไม่มีความชั่วอื่นใดอีกที่นักมุสาไม่กล้าทำ ไม่มีบาปอันเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนใดอีกที่นักมุสาทำไม่ได้ในเมื่อจิตสำนึกเพี้ยนเกินกว่าจะสำนึกผิดเสียแล้วจะแปลกอะไรหากใจเห็นกงจักเป็นดอกบัวรู้สึกว่าความชั่วเป็นเรื่องดีการไม่มีข้ออ้างเพื่อจะได้มุสาเลยดีที่สุด การตั้งใจไม่มุสาแม้ไม่ประเสริฐที่สุดแต่หากจะมีเหตุต้องทำเพื่อคนอื่นคุณต้องนับครั้งให้ดีๆถ้าเกินสองครั้งสามคราวในช่วงเวลาไล่เลี่ย ก, กันสำรวจใจจะพบว่าเริ่มเข้าทางเพียนเห็นการพูดปดเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ต้องหยิกตัวเองเตือนตัวเองให้ได้ว่าจะไม่รู้สึกดี ไม่รู้สึกยินยอมเป็นพลพรรคนักมูสาเป็นอันขาดความไม่ยินดีในการร่วมขบวนนักมูสานั่นแหละเครื่องประกันชั้นดีว่าคุณจะไม่คิดอะไรเพียเพ้ยนเห็นอะไรเพียเพ้ยนอย่างที่นักมุสาเขาเป็นกัน